ขอความเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ล่วงพระโพธิญาณกำลังนำเสนออริยวาจซึ่งเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแปลว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่ของประยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นวันก่อนได้พูดมาสามข้อนะคือ เป็นภูละองค์ห้าคือนิวรห้าประกอบด้วยองค์หกคือไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในเวลาตายเห็นรูปผู้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นเลื่มรดกายถูกต้องเย็นนอนแข็งและใจเหนียวนึกจกนึกงานอารมณ์ทั้งหลายประการที่สามก็มีการรักษาได้สิ่งเดียวคือสติคอยควบคุมใจไว ก็ต่อไปข้อที่ G ประกอบด้วยอปิเศสนธรรมคำว่าอภเศสนธรรมนั้นแปลว่าธรรมที่เป็นดุดพาชนะพนักอิงมันเหมือนกับเรานั่งเก้าอี้นิรภัยนะเราเขียนว่ามีพนักอิงแล้วมีที่วางแขนแล้วก็มีเซปติเบนหรือสายนิรภัยคาดอีกทีหนึ่ง ก็รอบทั้งสี่ด้านเป็นคุณธรรมที่สอนให้ใช้ปัญญาพินิพิจนาแต่ว่าของพระรยะนั้นท่านเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหมายความมามีปัญญาเข้ากำกับได้ทันทีทันใดรวดเร็วแล้วก็ไม่มีความบกพร่องแต่ว่าสามัญชนเราก็ทำได้ในบางระดับนะครับ บางระดับก็ทาไม่ได้นั่นคือการพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งและแก่พิจารณาถึงปัจจัยทั้งสี่คือเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยอาหารยาแก้ไข้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแต่เราจะมองเฉพาะประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้น เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากเกินไปเรียกว่าบริโภคปจัจจัยสีพอสาเร็จประโยชน์ตามความต้องการของร่างกายหรือตามความจำเป็นที่บังเกิดขึ้นเราเห็นว่าเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมากอาหารก็ไม่ต้องมากที่อยู่อาศัยก็ไม่จำเป็นจะต้องหรูหราฟุกมฟืาอะไรและยากแก้ไขก็ในกรณีที่มันมีไข้อะ น, นะไม่มีไข้ก็แล้วไป ถ้าไม่พิจารณามันก็มีปัญหาเพราะเราจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะปัญหาการบริโภคการซื้อหาจับจ่ายแล้วก็นามาบริโภคเป็นปัญหาที่เราสรุปว่าเป็นปัญหาเรื่องปากเรื่องทอง้องคือคนเรามีความรู้สึกขาดแคลนมีความรู้สึกปกร่องมีความรู้สึกว่าไม่เพียงพอ จะต้องดินโน่นขวนขวายแสวงหาจนถึงก็กู้นี้ยืมสินเขามาเพื่อกินเพื่ออยู่ให้หรูหราฟุ่มเฟือยเอาก็จริงแล้วอาหารเหล่านั้นไม่เป็นอาหารกายหรือสําเร็จประโยชน์กรจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกําลังในการปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วไม่จําเป็นจะต้องหรูหราฟู่มเฟืายอะไรมากจนเกินไป ประการต่อไปพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งหมายความอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องไปสัมผัสมันเป็นเรื่องนอกวิสัยที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันเนี่ยมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละเราก็ต้องอยู่ให้ได้ทำกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเช่นเราอยู่ทำกลางความวิปริตปรีแปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลาย มีฝนตกหนักมีฝนมีมีมมฆตกมามีน้ำหลากมีลมแรงมีอันตรายต่างๆคืดขึ้นจากภัยธรรมชาติเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางภัยเหล่านั้นมันไม่มีอะไรดีไปกว่าอดทนนองอดทนกับอดทนตอนนั้นเองยิ่งหนึ่งการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆ จะต้องเหนื่อยลากยากลําบากตากตรําในกิจการงานเหล่านั้นแม้ในปัจจุบันมีเครื่องทุนแรงเยอะนะฮะแต่เราก็ต้องเหนื่อยหรือยังไงมันก็ต้องเหนื่อยแหละคนอ่ะเหนื่อยมากหรือเหนื่อยน้อยเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจอ่าประสาทลา้าประสาทเครียดอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอทนเอาพิจารณาว่าถ้าไม่ทนเราจะทํายังไงเพราะมันเรื่องต้องเกิด่ะ ต้องเกิดการทำงานมันต้องเหนื่อยไม่มีงานอะไรที่ทำแล้วไม่เหนื่อยเหนื่อยมากหรือเหนื่อยน้อยก็เป็นเรื่องรายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นระการต่อไปก็คือโรคภยคัยไข้เจ็บแต่มันเกิดขึ้นเดียดเบียนชีวิตของบุคคลเราแต่ละคนนั้นมีร่างกายนั้นเป็นรังของโรคต้องเปิดหน้าผู้พังไปตามการตามเวลา ไม่มีความจรังยั่งยืนมีความแตกดับเสื่อมถอยไปไม่คงที่อะไรเพรา ะ, ะนั่นก็ถึงจริงก็จะเข้าเราก็ต้องทนเอาแต่นั้นเองเรื่องอย่างหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากคือสิ่งที่กระแทกกระทันใจให้เกิดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความบัมเมา ตามปกติแล้วจิตใจจะอ่อนไหวจะไม่เข้มแข็งจะไม่ดกั้นจะไม่ดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นอาจจะมุทะลุโมโหฉุนเฉียวหรือเคลือบเคลื่อหลงไหลคลั่งคลาไปกับสิ่งที่มายโยโยนหรือสิ่งที่มายโ่ยุก็แล้วแต่อารมณ์โยยุกก็ทําให้เกิดเครืองโ ย, ยวยนก็ทําให้เกิดกําหนัดเกิดระวางโลกก็ต้องพยายามอดกั้นอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นให้ได้ มีก็ประการหนึ่งประการต่อไปนั้นก็พิจารณาแล้วเว้นนะฮะพิจารณาแล้วเว้นก็คือเว้นผู้อกุศลทั้งหลายความชั่วทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กอบายามุกอย่างเนี้ยบายามุกเป็นปนัญหาใหญ่แต่วันนี้ไม่ใช่ระดับพระอริยนะฮะพระอริยะนั้นไปหายไปตั้งนานแล้วหมายความว่าพิจารณาแล้วงดเวน้นแต่ว่าพระอริยะนั้นท่านอัตโนมัติ ท่านปัญญาท่านเกิดขึ้นก็เรียกว่ามีปัญญาเน้นชอบตามความเป็นจริงในขณะนั้นนันเพราะทันจริงไม่เกิดความกำหนัดความขัดเคืองไปกับอารมณ์ที่มีการยั่วยุยั่วยวนมาจากข้าง น, นอกประการต่อไปนั่นคือพิจารณาและอดกั้น กดร่างต่อความเหนียวนึกตึกนึกคือเจียดจิตเนี่ยมันอดตึกนึกไม่ได้ครอกจิตมันสายไปในอารมณ์ทั้งหลายมันก็เหนียวนึกตึกนึกถึงเรื่องที่ชอบสรุปว่าความคิดมันออกมาสามกระแสนะฮะกระแสหนึ่งเป็นกามปิโตคือตรึกนึกด้วยอํานาจของความใคร่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการเชยชมต้องการเสพสุขกับสิ่งเหล่านั้น การต่อไปก็พยายามมิตกจึกนึกด้วยความมาคาดพยาบาทบแนนิวร์นที่ว่าไว้แล้วเนี่ยแล้วศึกนึกในแนวของการเบียดเบียนพอใจสนใจติดใจที่จะดูความพิบัติเดือดร้อนของคนอื่นของสัตว์อื่นพิจารณาแล้วก็เว้นพิจารณาบันเทานะ่ะลดความรุนแรงลงไปแต่ของพระริยบุคคล น, นั้นท่านสมบูรณ์หมดทั้งสี่อย่างนี หายความมาบันเทาจนไม่ต้องบันเทานะฮะแต่ว่าเวลามาพูดกับชาวบ้านเนี่ยพูดระดับบันเทาส่วนพระยา บ, บุคค์นั้นท่านควบคุมความคิดจิตใจของท่านได้เรียกว่าบันเทาได้โดยอัตโนมัติละได้โดยอัตโนมัติเว้นได้โดยอัตโนมัติทนได้โดยอัตโนมัติพิจารณาแล้วบริโภคใช้สอยได้โดยอัตโนมัติ ว่าข้อต่อไปเป็นผู้กำจัดเสียซึ่งความจริงเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งหมายความว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้าของท่านท่านจะเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ว่ามันจะมาโดยรูปแบบพิจิตพิศาสตรตกแต่งปรุงแต่งมายัางไงก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นพญามารมักปลอมตัวมาหลอกลวงพระอาหารหันด้วยรูปแบบต่างๆเป็นคนหนุ่มบ้างเป็นคนแก่บ้างเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างอะไรแต่ไรเนี่ยปลอมตัวมามาหลอกลวงท่านก็รู้เท่าทันเนื่งความจริงก็ทำความจริงให้ปรากฏบอกว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักท่านท่านมาต้มเราไม่ได้หรอกหลอกเราไม่ได้หรอก หมายความว่าชัดเจนในแต่ละเรื่องทีนี้ความชัดเจนเหล่านี้อย่างเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเราอยู่ในยุค ข, ข้อมูลข่าวสารมีการสื่อสารมีการติดต่อกันในแง่มุมต่างๆแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้อ่อนไว้ไปตามคำโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายเนี่ย โฆษณาทั้งหลายที่จริงก็โฆษณาชวนเชื่อนะฮะหมายความถ้าเราเชื่อแล้วเราก็ตกเป็นเครื่องมือของเขาแต่แต่เขาจะบังคับใช้ให้ทำอะไรให้เป็นไปในทางไหนเราก็ต้องเป็นไปตามที่เขาบังคับใช้บานท่านก็สอนให้มองให้ทะลุผูกปรงอย่ามองเฉพาะภาพที่เราเห็นแต่มองให้ถึงก้นบึ้งหรือเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้น ข้าเห็นงูตัวเห็นที่หัวมันเนี่ยแต่มองให้ตลอดทั้งตัวเป็นงูอะไรแล้วมีความใหญ่ยาวขนาดไหนคือจะจัดท่าทีของเราให้เหมาะสมในการหลีกหนีภัยอันตรายจากสัตว์เหล่านั้นประการต่อไปเป็นผู้มีมีการสแสวงหาชอบไม่บกพร่องได้แก่ละการสแสวงหา คือท่านเอาแต่อริยคุณนะแต่นี้ท่านก็จบการแสวงหาแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงพระหันก็จบการแสวงหาแล้วแต่ว่าอริยวาทนั้นบางทีก็ลงมาถึงข้างล่างด้วยนะฮะลงมาถึงปัสดาบันด้วยลงมาถึงสามัญชนโดยอนุโลมด้วยระยะบุคคลนั้นจะไม่แสวงหากาม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยใจท่านจะไม่กำหนดเพื่อเพลินชื่นชมยินดีไปไม่ไปกำหนดว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัส น, น่าจับจ้องเนี่ยไม่ไม่ไปกำหนดอย่างนั้นแล้วไม่ดินน้นรนไม่สายไปเพื่อถือครองเพื่อครอบครองเพื่อได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของพวกวัตถุ ก, การมทั้งหลาย แล้วก็ไม่สแสวงหาพบคือพจเนี่ยมันจะประนีตยังไงก็ตามมันมีผู้เกิดมันมีการเกิดเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันการเกิดมันก็นําไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเดยกว่าชาติทุกข์พยาธิทุกข์มาณาทุกข์นะฮะ ท่านไม่แสวงหาพบไม่ว่าพบมันจะประณีตยังไงก็ตามพบมันก็มีแค่สามพบแต่นั้นเองเนะฮะคือการมาพบพบที่สวยสุขในทางกามรูปประพบพบที่พอใจติดใจในสิ่งที่เป็นรูปธปรรมเกิดขึ้นด้วยผลของรูปฌานอรูปประพบพบของอรูปฌานนะฮะคือติดใจพอใจในส่วนของอรูประชาน ท่านสามารถล่าภพหลดนั้นได้ไม่ผูกพันไม่สแสวงหาไม่ดิ้นรนแต่ในขณะเดียวกันสแสวงหาพรหมจันทร์พรหมจันทร์นั้นแปลว่าการใช้ชีวิตที่ประเสริฐเป็นการลดละจางคลายของกิเลสประเภทต่างๆทงั้งหยาบกลางละเอียดเราจะเห็นว่าพรหมจันทร์กรบมัญใหญ่นะฮะหมายความว่าสามัญชนทั่วไปก็สามารถสแสวงหาพรหมจันทร์ได้ เช่นว่าทานเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์แล้วเป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐหรือว่าศีลห้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์แล้วหรือว่าสามีที่ซื่อสัตย์ต่อพัญญาพัญญาที่ซื่อสัตย์ต่อสามีนี่ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์เ พ, พราะฉพรหมจรรย์กรธมันใหญ่แล้วก็คนทั่วไปก็สามารถปฏิบัติได้ตามกําลังความสามารถของตนหรือว่าปัญญาที่พักมีต่อสามี ก็เป็นพรหมจารย์ด้วยกามสังวรเนี่ยฮะก็เป็นพรหมจารย์ศิลแปดก็เป็นพรหมจารย์ปรมัญญาสีเมตตากรุณามุติตาอเบขาก็เป็นพรหมจารย์แล้วก็ศิ้นสิ้นสิ้นบุษนะฮะสิ้โบสถนะหรือศิ้นแปดเนี่แหละก็เป็นพรหมจารย์ตลอดถึงอริมักมีองค์แปดศาสนาพรหมจารย์นะสรุปแล้วว่าก็เป็นศาสนาพรหมจารย์ หมายความว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักของศาสนาทั้งหมดนั้นจัดเป็นพรหมจรรย์ท่านก็สแสวงหาพรหมจรรย์เพื่อปฏิบัติพัฒนาจิตใจของท่านให้เข้าถึงหลุดพ้นจากกามหลุดพ้นจากภพแต่พระพุทธเจ้านั้นพ้นหมดแล้วนะฮะหมายความว่าคือกระจายกรอบของอริวาทเนี่ยชัดเจนว่าจะกลายจากกระจายกรอบของอริวาทลงมา อายุถึงระดับพู้ประโสดาบันพระสกิตาคามีพระนาคามีพระอรหันต์เพราะเมื่อใช้คําว่าอริยว่ามันก็หมายความว่าเรือนใจหรือที่อยู่ของพระอริยทั้งหลายอริยะท่านก็มีอยู่สี่ระดับนะฮะคือพระโสดาบันสกิตาคารีนาคารีอรหันต์ระอรหันต์ก็ยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปจเจกรรพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกก็สรุปว่าเป็นพระอรหันต์นั่นแหละ ประการต่อไปนั้นมีความดำริที่ไม่ขุนมัวหมายความความคิดจิตใจของพระอริยะทั้งหลายนั้นไม่มีอาการขุนมัวของกิเลสคือละไมจ๋าสังกปะความดำริในทางที่ผิดความคิดในทางที่ผิดออกไปได้มิสาสังกปะนั้นมีอยู่สามประการคือการมาสังกปะเหนียวนึกตรึกนึก ถึงสิ่งที่ใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ท่านกระปะบางทีท่านก็ปกติท่านแปลว่าความดำรีนะความดำรีความนึกความคิดมันก็คือกันนแต่ตามปกติแล้วก็แปลว่าความดำรีหรือความตรีความตรึกหรือความตรองก็ท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีกิเลสกามอยู่ภายใน ตัวนี้ที่จริงเราสามารถจะควบคุมได้ระดับหนึ่งคือทำอย่างไรจะบรรเทาความกำหนัดในอารมณ์ในการมัคุณทั้งหลายลงไปได้เพื่อจะให้จิตใจนั้นอยู่กับธรรมะก็คือความดำริในทางที่ชอบอภยาป า, ยาปาราสังกปะนะคือละการดำริด้วยความพยายามท่านพูดระดับ ศีลในระดับละนะฮะพูดระดับละหมายความว่าละความดําดีด้วยอํานาจความอาฆาตพยาบาทคิดจองเวรจองล้างจองพรานทําลายล้างให้เกิดความทุกบัตุกข์เกิดความเดือดร้อนแก่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยท่านไม่มีไม่มีความคิดในลักษณะนั้น แล้วก็ละมีหญิงสาสังกปะคือความดำริด้วยการเบียดเบียนมุ่งเบียดเบียนมุ่งปัทุสร้ายคนนั้นคนนี้คิดเบียดเบียนคนนั้นคนนี้นีนนน่ไม่มีในความคิดของท่านแล้วนั้นดูว่าสงบเย็นนะแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราสามารถโดยเสด็จรอยอ ย, อยุคนบาทของพระพุทธเจ้าตามไปห่างๆได้ทุกข้อนะฮะคือโดยเสด็จตามไปห่างๆได้ทุกข้อ แต่จะทําให้เต็มที่มันก็ยางว่าอะไรเป็นเรื่องของพระอริยะเราไม่ใจพระอริยะมันทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในความเป็นพระอริยะนั้นมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความเมตตากรุณาโดดเด่นเป็นเอกปรากฏได้เห็นอยู่ทุกแห่งทั้งปัญญาทั้งความบริสุทธิ์และทั้งความการะดุเมตตากรุณานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านการิยะเนี่ยเราถือว่าการุณานะ เพราะท่านมองคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่น่าสงสารควรแก่การสงสารด้วยกันทั้งนั้นประการต่อไปก็คือมีกายสังขารสงบระงับกายสังขารเนี่ยคือลมหายใจเข้าออกเนื่องจากว่าจิตใจของท่านเ น, นีย่ยเป็นนิดท่านก็หายใจไม่แรงอย่างอย่างเราหายใจกันนะ่ะ คนสามัญ ท, ท, ทั่วไปก็หายใจแรงแต่ว่าระรยะนี้ท่านทานไม่มีเรื่องที่จะต้องวิ่งเต้นอะไรต่ออะไรเน็ดเหนื่อยอะไรเพราะงั้นมีกายสังขารที่สงบถามว่าทำไมจึงสงบละ่ะเพราะว่าท่านบรรลุอรูปรประชานสี่ประการในรูปรประชานสี่ประการนั่นแหละมันทําหน้าที่สงบนิวรณ์มาโดยลําดับ ตังแต่ปฐุมชาญมาแล้วนะฮะโดยเห็นว่าองค์ก้องชาตนั่งมีอยู่ห้ามีวอนเองก็มีอยู่ห้าวอนพิตกซึ่งเป็นองค์ชาตเนี่ยทําหน้าที่สงบถีนมิทัสนิวรณ์พิจารณ์ซึ่งเป็นองค์ชาตเนี่ยทำหน้าที่สงบปิจิกิจานิวรณ์ปีติซึ่งเป็นองค์ชาตเนี่ยทำหน้าที่สงบพยาบาดนิวรณ์สุขซึ่งเป็นองค์ชาตเนี่ยทำหน้าที่สงบปุถัมจักกุกุจานิวรณ์หรือความฟุ้งซ่านความราคาญ แล้วเอกคาตาคือสมาธินะตอนหน้าที่สงบกรรมฉันคือการที่ใจไปควยคว้าไปเหนียวนึกไปตึกนึกด้วยความกำหนักและด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลา ย, ยท่านไม่มีความเดือดร้อนในภายในใจของท่าน เพราวใจที่เป็นอย่างนั้นคือมันเวลาลงไปเนี่ยนะฮะพอถึงชาติฌานที่สองเนี่ยท่านมีนเฉพาะปีติสุกเอกาตาเท่านั้นเองปีติก็ความเบิ่อปีมใจสุขก็คือความสบายใจกายสบายใจเอกาตาคือจิตที่ทั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นนั่นเดียวแล้วก็พอถึงตตฏิฌานนะปีติก็สงบอย่างเดียวแต่สุขกับสมาธิ พอถึงจะตุทัยฌานแม้แต่สุกก็สงบนะฮะยังเหลือแต่อุเบคากับสมาธิคือเอกกตาเราะมันสงบได้ลึกนะแต่ว่าขั้นมีทั้งญาณทั้งฌานก็เป็นการจําแนกทั้งส่วนของญาณแล้วก็ส่วนของฌานที่จริงเมื่อญาณมันเกิดแล้วเนี่ยญาณก็ทําหน้าที่ก็หมดไปแล้วนะฌานก็เป็นของที่ เป็นปัจจัยเสริมคือว่าเขามีเองเขาโดยธรรมชาตินะก็บอกว่าประโสดาบันเนี่ยศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพอไปถึงระตนคาเนี่ยศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณ น, าานั่งก็แสดงให้เห็นว่า พวกฌานเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติไปตาม อ, ร, มา ร, อ ร, าริมักเป็นองบบประกับการเมื่ออริมักส่วนของศีลสิกขากับจิตสิกขาก็บสมบูรณ์ก็ทำให้จิตใจของท่านเนี่ยได้ฌานไปโดยธรรมชาติเมราะฉันจึงหลุดพ้นไปจากความ เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันสงบไม่มีเสียงดังเวลาคนที่นั่งสมาธิถ้าได้สมาธิเราเห็นว่าลมหายใจก็สบงบเหมือนกันทั้งฝั่งทงั้งหลายแต่ร่ปมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นครั่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงหอห ง, งามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี